ซพ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่ออบรมจิตให้สงบ ดังนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งจิตอธิษฐานลงไปด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่ขอให้จิตข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้มีปัญญา รู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นเมื่อที่ฐานใจเสร็จแล้วก็เพิ่งตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ทอดจิต นี่มันท่องเที่ยวอยู่กับลมหายใจเข้าออกดังนั้นเราจึงเอาสติเข้าไปสกัดมันไว้ถ้าหากว่าสติไปกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เช่นั้นแล้วมันจะไม่คิดส่งไปข้างนอกเลยมันจะสงบอยู่ภายใน การที่จิตไม่สงบมันคิดส่งไปโน่นไปนี่ก็เพราะไม่น้อมสติเข้าไปสกัดความคิดความนึกทางลมหายใจเข้าออกนี้เองแหละ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งพาการเข้าใจเมื่อเข้าใจความหมายแล้ว กตั้งใจทำจริงๆการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็ลำบากหน่อยหนึ่งมันจะได้รับรู้ถ้าผู้ดใดสังขารร่างกายไม่ค่อยปกติความรู้สึกมันก็จะฟืดๆไป ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าผู้ใดร่างกายเป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกมันก็คร่องแคล่วดีไม่ค่อยได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาต่างๆก็ให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเอง ถ้ารู้เรื่องของตัวเองได้แล้วมันก็ต้องไม่ต้องหวันไหวให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็ยอมเสวยทุกขเวทนาไปอันนั้นก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใด ความไม่เที่ยงของขันห้าก็ย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นและความทุกข์ทนทรมานความรู้สึกทนทรมานในขันห้านี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละขันห้านี่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดว่าเป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งมันก็เป็นความจริงเลย เราจะไปหาเอาความสุขจากรูปจากนามอันนี้ที่ตรงไหนไม่ได้เลยเพราะมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่มันแปรผันอยู่อย่างนั้นแล้วจะไปให้มันเป็นสุขไปได้อย่างไรอ่ะดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์ เพราะมันทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นความจริงเมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปมันก็วันไหวไปมาไม่คงที่อยู่ได้รูปนามอันเนี้ยจะบังคับให้มันนิ่งนิ่งอยู่มันก็นิ่งไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นลักษณะของขันห้านี่ ดังนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครไม่ใช่ของของใครก็เมื่อเรากำหนดรู้ลักษณะของขันห้าทั้งสามประการนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะสงสัยเลยควรจะกำหนดจิตให้ตั้งมั่นลงในปัจจุบัน ฝึกขาดอดทนไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในใจก็ดีก็มีสติประคองขีตให้ตั้งมั่นอยู่ได้การฝึ ก, กจิตอย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นจากทุก์ได้เมื่อทุกมาสัมผัสเข้าไม่หวั่นไหวไปตามทุก จิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าทุกข์มาถูกต้องเข้าแล้ววันไว้ไปตามจิตนี้ก็เป็นทุกข์ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านเป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ใจของท่านไม่เป็นทุกข์เมื่อร่างกาย วิบัติแปรปวนไปแต่ใจของท่านก็ไม่แปรไปตามร่างกายใจของท่านตั้งมั่นเป็นปกติรู้เท่าความแปรผันของรูปนามานั้นเลื่อยไปสำหรับคนธรรมดาสามัญแล้วเมื่อไม่รู้เท่าขันห้าเนี่ย เมื่อขันห้านี่แปรปวนไปจิตก็แปรไปตามวันไว้ไปตามเสียใจเศร้าโศกไปตามนี่คนที่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์ต้องทนทรมานไปตามขันห่านี้วัดนี้เมื่อเราได้รู้แนวทางหรือรู้อุบาย ือกจิตใจนี่ให้รู้เท่าขันห้าดังบรรยายฟังมานี่นะแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปตั้งความอดความทนลง <c oughs> ถ้าเราไม่อดไม่ทนแล้วนะ่ะถึงจะรู้แจ้งอย่างไรมันก็ไม่ไหวมันก็วันไหวอ ย, อยู่นั่นแหละจิตใจนี่นะพระพุทธเจ้าก็ดี พระอระหันต์ก็ดีเมื่อร่างกายของท่านแปรผันวันไหวไปท่านก็ตั้งอยู่ในความอดทนนั่นแหละอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้อดทนนะความอดทนของท่านเป็นยอดเลยทีเดียวอ่ะ ท่านผู้รู้แจ้งแล้วนะเป็นอย่างนั้นไอความไม่อดไม่ทนนี่มันมีอยู่ที่ผู้ทุชนคนเราเนี่ยเพราะว่าไม่รู้แจ้งนี่มันไปสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้นะเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติตรงจิตจริงได้เสียใจเศร้าโศกวันไว้ไปตาม ขาดความอดทนอดกั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธริษัสทั้งหลายว่าทุกนี้นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะละได้ทุกนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริง <c oughs> เพราะทุกนี้มันมีอยู่ในขันห้านี่เมื่อขันห้านี่มันมีอยู่ตราบใดทุกนี้ก็มีอยู่ตราบนั้นผู้ใดเบื่อหน่ายในทุกก็ชื่อว่าเบื่ อ, นะอหน่ายในขันห้าเหมือนกันอันเดียวกันถ้าเบื่อถ้าไม่เบื่อหน่ายในขันห้า ก็ชื่อว่าไม่เบื่อหน่ายในทุกเช่นเดียวกันพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นสังขารหรือขันหานนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านก็เบื่อหน่ายในทุกเบื่อหน่ายในขันหานี่ชื่อว่าเบื่อหน่ายในทุกเพราะขันหานี้เป็นก้อนทุก <c oughs> ข้อนี้เป็นหนทางบริสุทธิ์บทโจทของสัตว์ทั้งหลายพระศาสดาทรงแสดงไว้นะสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์พุทธผ่องได้ก็เพราะมาฝึกกิจนี้ให้เข้มแข็งให้มีปัญญาฉลาดรู้เท่าขันห้านี่ตามเป็นจริง เมื่อขันห้านี่มันแปรผันวันไหว้ไปก็อดกั้นทนทานไม่ปล่อยให้จิตวันไวไปตามมันในขณะเดียวกันจิตมันก็จะละกิเลสต่างๆ้อมองเห็นแล้วว่าการที่ตนจะได้มาเสวยทุกขทรมานอยู่อย่างนี้ก็เพราะกิเลสพรอไม่ละกิเลสไม่ละความละ ไม่ไม่ละความรักไม่ละความชังไม่ละความหลงปล่อยให้ความหลงมันครอบงมจิตใจใจนี่จึงไม่รู้เท่าทุกขตามเป็นจริงมันรู้อย่างนี้มันก็ละกิเลสไปในตัวแหละ พร้อมกับรู้เท่าทุกพร้อมกับเบื่อหน่ายในขันห้ากิเลสมันก็เบาบางไปพร้อมกันเลยเราจะไปคอยให้กิเลสนี่มันสงบไปอย่างสบายสบายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไอ้ทุกข์กับเพรทแห่งทุกข์นะ่ะมันเป็นคู่กัน เมื่อรู้จักทุก์ก็ต้องรู้จักเหตุแห่งทุก์ไปด้วยกันเมื่อรู้เท่าทุกก็ต้องละเหตุแห่งทุกไปพร้อมกันมันเป็นคู่กันอย่างนี้ละเหตุแห่งทุกกหมายความว่าละความสัมพันธ์สัมพันธผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละละความเห็นอันนี้นะออกจากกิจใจ ให้ความเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดขึ้นแทนเมื่อความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นแทนแล้วนั่นแหละจิตใจนี้จึงไม่ได้วันไหวกับขันห้าแบบนี้นะก็เมื่อมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทาไม ในเมื่อมันวิบัติแปรปวนไปนั่นแหละก็ชื่อว่าจิตใจนี่มันเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงพยายามฝึกจิตใจไปอย่างนี้แหละเพราะความจริงของขันห้ามันมีอย่างนี้เมื่อไม่ฝึกจิตใจให้รู้อย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริง จิตก็ต้องยึดขันธ์หน้านี่เป็นตัวตนไปก็เท่ากับว่ายึดเอาทุกติดตามตัวไปเท่ากับว่าแบกเอาทุกไปเรื่อยๆชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปเมื่อไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงมันก็แบกเอาทุกติดตัวไปทุกชาติทุกภพทำเหล่านี้ไม่ใช่ลึก เกินไปแล้วก็ไม่ใช่ตื้นเกินไปแล้วก็ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามัญจะรู้ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้อยู่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดีก่อนที่ท่านจะรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้ ท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเนี่ยมาก่อนก็ยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เมื่อท่านภากเพียรพยายามละ ก, กิเลสเรื่อยๆไปปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งนี่ก็ค่อยเกิดขึ้นงอกขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดเมื่อปัญญามันบางเกิดขึ้นเต็มที่แล้วกิเลสมันก็ ระงับดับไปพร้อมกับปัญญาที่มันเกิดขึ้น <c oughs> มันก็เช่นเดียวกันกันกบยากำจัดโรคนั่นแหละเมื่อบุคคลรับประทานยาเข้าไปโรคนั้นหายไปความเจ็บปวดกับโรคหายไปพร้อมๆกันเลย ความสบายกับความไม่มีโรคก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันในร่างกายสังขารของคนเรานี่นะออมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงทางด้านจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันกับร่างกายนั่นเองเมื่อบุคคลมารู้แจ้งในทุก แล้วก็ละเหตุแห่งทุกข์ไปพร้อมกันเลยไม่ใช่ว่าจะมาละเหตุแห่งทุกข์ทีหลังจึงจะรู้เท่าทุกข์ได้ไม่ใช่เมื่อเราละความสำคัญว่าขันห้านี่เป็นเราเป็นเขาลงไปแล้วอย่างนี้ไอ้ความรู้เท่าทุกข์มันก็ไปด้วยกันความไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนา มันก็ไปด้วยกันแหละเพราะมันไม่ได้ถือว่าเป็นของเราอะ่ะแล้วมันจะวันไหวไปตามมันทําไมอะ่ะนี่อันนี้เดี๋ให้พึ่งพากันสำเนียกพิจารณาให้ดีคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นอะ่ะพระองค์ทรงสอนให้รู้แจ้งในของที่มีอยู่ไม่ใช่สอนให้ไปรู้แจ้งในของที่ไม่มี ไม่ใช่อย่างนั้นของที่เราสามารถมองเห็นด้วยใจด้วยปัญญานี่แหละที่ทรงสอนให้รู้แจ้งให้รู้เท่าสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละเช่นนี้สิ่งนั้นย่อมมีย่อมมีให้ให้ให้เราละได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีพระองค์ก็จะไม่สอนให้ละ สิ่งใดที่ทรงสอนให้กาหนดรู้เท่าแสดงว่าสิ่งนั้นต้องมีคืออะไรมันมีคือนามรูปนี่แหละมันมีแล้วนามรูปนี่มันไม่เที่ยงมันวันไหวไปมานี่เป็นความจริงของนามรูปก็พระองค์สอนให้รู้เท่านามรูปอันมันมีอยู่นั่นเองเนี่ย มันมีอยู่แต่ว่ามันไม่เที่ยงหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของขีดใจมันย่อมแปรผันวันไว้ไปตามกฎธรรมดาของมันเราเรามาฝึกจิตนี้ให้รู้กฎธรรมดาของมันไปเฉยๆนี่นะความหมายนะกฎธรรมดามันเป็นไปอย่างไร จิตนี้ก็กําหนดรู้ตามไปตามเป็นจริงไปอย่างนั้นไม่สิยใจไม่ดีใจกับความแปรปวนของขันห่านามรูปวันนั้นนี่เรียกว่ากําหนดรู้ตามเป็นจริงไปเฉยๆนะอันนี้เมื่อผู้ใดไม่มากําหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตนี้มันก็วันไหวไปตามเอเรื่องมันเป็นอย่างนั้น บุคคลผู้ที่มาดำเนินเดินตามรอยพระบาทของพระศาสดาอย่างนี้นับว่าเดินทางไม่ผิดแน่นอนเลยถ้าหากว่าดำเนินทางจิตใจนอกเหนือออกจากนี้ออกไปแล้วก็เป็นอันผิดทางของพระพุทธเจ้าแล้วและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยแท้จริง <c oughs> แล้วเราก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าทำนี้เป็นของลึกซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ไม่ควรจะเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะของมีอยู่ทำไมจึงว่ามันลึกซึ่งเกินวิสัยหายใจเข้าก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอหายใจเข้าไปก็รู้ ความเป็นอยู่เป็นไปของร่างกายอันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรหายใจออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเส้นร่างกายนี้มันไม่เที่ยงหายใจเข้าก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่หายใจออกมาก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะจะว่ามันไม่รู้อย่างไรอ่ะรู้แล้ว ต่างใจว่ารู้เฉยๆรู้ไม่ประกอบไปด้วยปัญญากับรู้ประกอบไปด้วยปัญญาเออมันต่างกันตรงนี้เองเนี่ยที่รู้ไม่ประกอบไปด้วยปัญญานั่นน่ะมันก็วันไหวเนี่ยมันสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนดังกล่าวมานั่นเนยจึงได้วันไหวไปตาม ถ้ารู้แจ้งด้วยอำนาจแห่งปัญญารู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาของใครเลยเช่นนี้จิตมันก็ไม่วันไหวไปตามมันก็อดได้ทนได้อดทนต่อความแปรปวนของขันห้านี่ทำอย่างไรได้ตนหกลงมาเกิดอาศัยมันอยู่แล้ว เมื่อทนหลงมาเกิดอาศัยมันอยู่แล้วเห็นขันห้านี้มันไม่เที่ยงไม่ย่งยืนก็จะฆ่าตัวตายไปเสียเพื่อไม่ให้มันได้ทนทุกข์ทรมานไปนานความเห็นอย่างนี้ก็ผิดวิสัยของนักปราชทั้งหลายนักปราชคือผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่เห็นอย่างนั้น ไม่ถือมั่นในความเห็นอย่างนั้นมันเป็นทางผิดผู้ใดคิดฆ่าตัวตายเมื่อฆ่าตัวตายสําเร็จลงไปกรรมนั้นมันก็ตามสนองเกิดไปชาติต่อๆไปถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็มีเหตุอันหนึ่งแหละมาโดนบันดาลให้กลุ่มใจอย่างรุนแรงจนโลกอันนี้ทั้งโลกไม่มีที่จะอยู่อาศัยเลย ทีนั้นแหละมันก็วางแผนฆ่าตัวเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ถึงห้าร้อยชาตินุนกรรมเวนนี่มันถึงจะหมดลงนั่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวของเราคนหนึ่งหนึ่งก็เป็นสัตว์จำพวกหนึ่งเหมือนกันสัตว์มนุษย์ สัตว์เดรัจฉานห้ามหมดเลยสัตว์ยักษ์สัตว์เปรตสัตว์ครุดสัตว์นาคหมูนี่รวมเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นเลยนะในภาษาธรรมะสัตว์ปะเปลว่าผู้คล่องอยู่ในวัตาสงสารนี่ถ้าผูใ้ใดยังมีจิตคล่องอในวัตาสงสารนันนี้ ผู้นั้นได้นามว่าสัตว์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาด่าเรามาว่าไอ้สัตว์อย่างนี้เราอย่าไปโกรธเอาเราก็ยังเป็นสัตว์จําพวกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์มนุษย์ เ, ออเราก็ยอมรับคําด่าของเขาไปอย่างสบายไม่ต้องไปโกรธเขา <c oughs> เพราะที่เขาว่ามานะั้นมันเป็นความจริง เราก็ยังคล้องอยู่ในโลกนี้จริงๆมันก็ถูกต้องแหละถ้าหากว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่นามรูปวนี้นามรูปนี้ไม่มีอยู่ในเราแล้วก็ไม่มีใครมาด่าว่าเป็นสัตว์สิงเดรัจฉานหรือว่าเป็นเปรตเป็นผีไม่มีหรอกไม่มีใครจะมาด่าเลยมันไม่มีสิ่งที่จะให้ ด, าดา่าแล้วมันจะด่ายังไงเล่านั่นแหละ แต่ถ้ามันยังมีรูปนี้อยู่ตราบใดมันก็ต้องมีคนด่าเอาบ้างมีคนสรรเสริญเยินยอบ้างเช่นนั้นแหละหลีเกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเมื่อเขาชอบใจเขาก็ยกย่องสรรเสริญให้ถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทายกทอดติเตียนไป อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโลกกะระทเป็นธรรมมีประจําอยู่ในโลกนี้เราต้องเรียนรู้ตามเป็นจริงไว้ต้องรู้เท่าไว้เมื่อรู้เท่าไว้แล้วโลกกะระทนี่อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวเพราะเห็นเห็นแจ้งว่ามันเป็นธรรมดาของโลก แต่ถ้าไม่อยากให้ใครนินทาว่ารารแล้วก็อยากเกิดมาละตัณหาความอยากให้หมดสิ้นไปเสียละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนเสียละได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดมาเลยวันนี้เมื่อไม่เกิดมามีรูปมีนามอันนี้ก็เรื่องสารเสรินนินทาว่าไยต่างๆมันก็ไม่มี เรื่องความทุกข์ความเจ็บป่วยไขย้เรื่องความผิดหวังต่างๆในโลกนี้นะก็ไม่มีแก่ผู้นั้นเลยท่านผู้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วนั่นท่านหมดห่วงในเรื่องนี้แล้วท่านไม่ได้สัมผัสกับเรื่องนี้เลยท่านไม่ได้สัมผัสกับความสรรเสริญความนินทาความทุกข์ความทนทรมาน ความผิดตังต่างๆหมู่นี้นะไม่มีอยู่ในพระนิพพานเลยดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลแก่กล้าเต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วบุญกุศลนี่แหละมันจะกรรมจัดอาสวะกิเลส น้อยใหญ่ทั้งหลายหมดไปสิ้นไปจากดวงขิดนี้เมื่อกิเลสดับไปหมดจากดวงขิดนี้แล้วดวงขิดนี้ท่านก็บัญญัติว่าอมตะ ธ, ธรรมคือกลายเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเ อ, อเป็นธรรมที่ไม่เคลื่อนไหวไปมาเป็นธรรมที่ไม่ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสาร ท่านจึงได้ให้นามว่าอมตรธรรมหรืออมตะธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เล่ล่อนพเนจรไปนในสงสารที่ได้ทรงตรัสเป็นพุทธภพสิทไ์ไว่านิพ บ, บานางประมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าพระนิพพานไอ้ที่เราได้รับอยู่นี่ไม่ใช่ยอดแห่งความสุขอ่ะมันเป็นโคนแห่งความสุขกว่าได้หรือว่ามันเป็นกลางแห่งความสุขยังไม่ถึงยอดแห่งความสุข ให้พึงพากันเข้าใจเมื่อเรายังไม่ถึงยอดแห่งความสุขตราบใดแล้วก็จะต้องเสวงหาความสุขอย่างนี้แหละร่ำไปเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเสื่อมได้ดังที่เรารับประทานอาหาร อิ่มไปแล้วก็นับว่ามีความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อไฟธาตุย่อยอาหารนั่นหมดลงความสุขอันเกิดจากอิ่มอาหารนั่นมันก็หายไปความหิวอาหารเกิดขึ้นมาแทนความหิวนั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ <c oughs> เคยได้นอนมาตามเวลาไม่ได้นอน มันก็หิวนอนขืนอดนอนนองมากเข้าไปมันก็เป็นทุกข์แต่ก่อนเคยมีเงินใช้สอยมากมายค้าขายมีไกลางามขั้นภายหลังมาการค้าก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขาดทุนยุบยับลงไม่มีเงินจะใช้จ่ายก็เป็นทุกข์พันนาถึงความ สุขชั่วคราวเนี่ยมากมายเท่านี้ก็นับว่าเปน็นอุทาหรณ์ได้แล้วว่าความสุขที่เราได้รับอยู่นี่มันเป็นความสุขพอประมาณความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนแม้ว่าบุคคลจะมาทําใจให้สงบลงไปเป็นหนึ่ง เหล่านั้นเป็นต้นแต่ถึงกันนั้นความสุขอันเกิดจากความสงบของจิตใจนี่มันก็เป็นไปชั่วระยะเวลาจิตยังสงบอยู่เท่านั้นเองถ้าเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนใจก็ลุกลี้ลุกลนวันไหว ไปตามร่างกายสังขารอยู่เหมือนเดิมดูแต่นั่งสมาธิอยู่นี่แหละบางคนทนไม่ได้นิดหน่อยแล้วไปแล้วนั่นแสดงถึงความทุกข์จิตลุกไม่โปรงขันห้านี้ไม่ลงไม่ได้วันไว้ไปมาแล้วก็ทนอยู่ไม่ไหวเห็นได้ในปัจจุบันนี่นะความทุกข์ความสุขชั่วคราว มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แหละพอทำใจสงบลงไปหน่อยหนึ่งพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่สามารถจะรู้เท่าทุกนั้นได้จิตก็ดิ้นรนวันไหวละ่ะเมื่อจิตวันไหวแล้วกายก็นิ่งอยู่ไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนไหวไปโยกย้ายไปนี่ความทุกขของสัตว์โลกให้สังเกตดูเป็นอย่างนี้แหละ อ้าวที่นี่เมื่อเรามาเจริญปัญญาเข้าไปสอนจิตนี่ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงเข้าไปว่าความจริงของขันห่านี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ควรวันไหวไปตามมันถ้าวันไหวไปตามขันห่านี่อยู่ตราบใดจิตนี้ก็เป็นทุกข์ไปอยู่ตราบนั้นจะไม่มีความสุขจะเอาชนะทุกข์ไม่ได้เลย การที่จะเอาชนะทุกได้นั่นก็ต้องอดทนอดกั้นต่อความทุกข์และก็ต้องทำความรู้กับตัวเองว่าขันห้านั่นไม่ใช่ของเราเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันไม่ควรวันไหวไปตามมันปัญญาสอนใจปลอบใจเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ตั้งมัน่น ไม่วันไหวเลยไม่เดือดร้อนไปตามขันห้านั้นและก็ไม่เดือดร้อนไปตามความสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้นนี่เป็นทางดับทุกเป็นข้อปฏิบัติให่ถึงความดับทุกให้พึงพากันจดจำอุบายเหล่านี้ไว้ แล้วสอนจิตของตนไปเรื่อยๆคนเราส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีอุบายสอนจิตตัวเองเมื่อทุกขมาถึงเข้าก็ชอบแต่จะวันไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเน่จิตนี้เนะ่เมื่อจิตวันไหวแล้วร่างกายมันก็วันไหวดินรนกระสับกาายไปมา อยู่อย่างนั้นตกลงว่าเลยเป็นทุกข์ทั้งดังร่างกายและเป็นทุกข์ทั้งทางด้านจิตใจไปพร้อมกันไปเลยสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเป็นทุกข์แต่กายอย่างเดียวแต่ใจท่านไม่เป็นทุกข์เราพยายามเดินตามรอยของพระศาสดานั้นพยายามฝึก จิตใจไปเวลาร่างกายวิบัติแปรปรวนไปฝึ ก, กจิตนี่อย่าให้มันแปรปรวนไปตามร่างกายให้มันปรากฏเป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่าให้ใจนี้มันเป็นทุกข์นี่ชื่อว่าเราพยายามดําเนินตามทางที่พระศาสดาของเราดําเนินมาแล้วไม่อย่างนั้นน่ะ เราก็จะไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสักทีหละถึงก็ถึงพอเจียดๆนี่แหละถ้าเราฝึ ก, กจิตใจให้เป็นไปตามรู้เท่าทุกละเหตุแห่งทุกคือความยึดมั่นถือมั่นนี่ไปเรื่อยๆไปเท่าใดเราก็ชื่อว่าเข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไปได้เท่านั้นแหละให้พากันเข้าใจ เพราะการถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่มันขั้นเดียวตอนเดียวผู้มีศรัทธาให้วัตถุเข้าของเงินทองเป็นทานไปก็ปชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระคุณทั้งสามนี่ในขั้นทานผู้มีศรัทธารักษาศีลในบริสุทธ ไม่ยอมทำบาปไม่ยอมเบียเดเบียนบุคคลอื่นและผู้อื่นเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ในขั้นศีลผู้ใดมีศรัทธาแก่กล้าฝึกฝนอบรมตนให้ท่องเอาคำสวดมนต์ไหว้พระให้ได้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เป็นกิจวัตร เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาทําใจที่พุ่งสร้างเลื่อนลอยให้สงบลงไปทําใจที่สงบนั่นและให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในขันห้าตามเป็นจริงดังที่อธิบายมาแล้วโดยลําดับนั่นแหละเจอนอเห็นแจ้งในขันห้าแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน เมื่อขันห้าวิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่แปรไปตามดังกล่าวมาแล้วจิตตั้งมัน่นรู้แจ้งธรรมเป็นจริงอยู่อย่างนั้นนี่ได้ถือว่าได้ชื่อว่ า, วาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในขั้นปัญญาวิปัสนาญาณเรียกว่าถึงพระคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในขั้นวิปัสนาญาณ นี่การถึง ร, รัตนาไกลเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อก็ถึงเป็นขั้นขั้นมาอย่างนี้เด็ดให้พากันเข้าใจเมื่อผูใ้ใดเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็มาสำเนียกอีกทีหนึ่งว่าการถึงคุณพระรัตนาไกลเพียงขั้นทานเท่านี้ยังจะป้องกันบาปไม่ได้เลยป้องกันไม่ได้ เมื่อมาถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งขั้นศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ไปอย่างนี้นั่นแหละถึงจะป้องกันบาปได้วันนี้บาปถึงจะไม่เกิดขึ้นในกายวาจาใจของผู้นั้นถ้าหากว่ามาถึงคุณพระรัตนไกลในขั้นเจริญสมถะวิปัสสนาดังกล่าวมานั้น นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ขจัดกิเลสวาประธรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปจากจิตใจหรือว่าถอนรากของกิเลสให้ออกไปจากจิตใจได้ดังแสดงมา